ขพงความเจริญในธรรมจงยีละท่านผู้ฟังทั้งหลายาด้รงมโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องสมาวยยมะคือความพยายามในทางที่ชอบมาถึงประเด็นแรกคือเตียบทสังวรระทานคือเปลี่ยนระวังบาปอากุศลไม่ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจหมายความว่าเป็นการควบคุมอาการทางกายทางวจาตามไปด้วยในขณะเดียวกัน เนื่องจากพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายามหมายความว่าผลทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลา ก, การของพุทธศาสนาแล้วก็เกิดขึ้นมาจากการกระทำซึ่งก็เป็นความเพียรพยายามในกรณีนั้นๆก็แล้วแต่เรื่องอะไรก็ไั้แต่ท้าเูาฟังไปมองสังเกตที่ วจพระพุทธศาสน า, คออาเคยจะเย็นว่ามันก็เน้นที่การก ร, ร, ระทาสปปปาปัสสะกรณั ง, างการไม่ทำบาทตทั้งปวงกุศลสู้ประสมปดาการยงกุศลให้ถึงพร้อมสจิตะประโยชน์ประนงังการทำจิตของตในให้องแพ้วตังบุทานศาสสดงนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็แสดงว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นกรรมวาชีแ้วก็แสดงเหตุเนี่ยเป็นหลักผลจะเกิดขึ้นก็โดยการกระทําของบุคคลผู้นั้นเพราะในเรื่องของความเพียรพยายามที่กล่าวไว้ในวันก่อนเราจะต้องมองให้เห็นมาเป็นกระบวนการนะฮะคือไม่ใช่ว่าความเพียรออกมาโด ด, โ ด, ด แต่ว่าก่อนที่จะเพียนขนาเพียนและผลที่จะเกิดขึ้นจากความเพียนเนี่ยมันจะต้องมีปัญญาเข้ากำกับเกิดสมาธิิสมาสังกปะในเข้ากำกับกำหนดแล้วควบคุมทิศทางตลอดถึงบรรลุเป้าหมายโดยมีปัญญาเป็นเครื่องมือสอดส่องอยู่ตลอดระยะเวลา ดันั้นพอเรามองเป็นกระบวนเราก็จะเห็นว่าเพราะมีความเห็นชอบจึงมีความรําริดชอบเพราะมีความเห็นชอบจึงมีกว่าจะชอบไปเห็นชอบจึงมีการงานชอบไปเห็นชอบจึงเลียงชีพชอบไปรเห็นชอบจึงมีความพยายามชอบกระบวนการก็ดําเนินไปอย่างเนี้ยเพราะเพื่อจะมองจากมุมของความเพียรนำระยะที่ส่งแสดงเอาไว้ในที่ต่างๆ ก็จะไปศึกษาในประเด็นตรงนี้ก่อนที่จะไปข้อที่สองคือประหารประทานว่าที่จริงประเด็นของพระพุทธนํำหลัสที่สัตว์ไว้ในอโอกาสต่างๆเราก็พูดหมดทุกความเพียรนั่นแหละเนื่องจากเวลาอธิบายเนี่ยเคยมองว่าความเพียรที่พูดถึงสี่ประการเนี่ยมันเป็นปริยายหนึ่ง อธิบายในรูปของแม่บทใหญ่หรวา อ, อยู่ในอริยมรรคในองแปประการเราเท่ที่จริงแล้วทุกอย่างก็อยู่ในโครงความโครงสร้างของสมาวยยมัรคถึนสมมุติประเทศชาติของเราเนี่ยมันก็ต้องมีเพียนพยายามในการป้องกันปัะสักอันตรายภัยพิบัติปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆเนี่ย ก็ต้องพยายามป้องกันและในขณะเดียวกันในสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่แล้วนักเกิดปรากฏแล้วก็เพียงพยายามขจัดและสิ่งที่ดีงามทั้งหลายซึ่งจะต้องทนุบำรุงในบังเกิดขึ้นก็เพียงพยายามกระทบำบาเพ็ญในบางเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งดีงามต่างๆขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแบบแผน จะรีดศาสนาต่างๆที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องพยายามช่วยกันรักษาเอาไว้อันนี้ก็หมายความว่าไม่พูดถึงความชั่วกับความดีสองระดับความชั่วที่ยังไม่เกิดก็ป้องกันที่เกิดแล้วก็ขจัดความดีที่ยังไม่เกิดเขาสร้างขึ้นที่เกิดแล้วก็รักษ า, าไว้อันนี้ก็คือพูดในเชิงป้องกั น, กนบำบัดบำรงุงแล้วก็รักษา อีกแนวหนึ่งในแนวของการละ บ, บาปบาเพ็ญบุญทํากิจได้พองแผ่วที่ว่าไว้ในตอนต้นเนี่ยก็หมายความว่าพูดถึงการละชั่วประพฤติแต่ว่าโดยปริยายหนึ่งนี่ไม่พูดไม่พูดอย่างนั้นคือพูดเรื่องการประพฤติเฉยๆแต่ว่ามันอยู่ในโครงสร้างเดียวกันคือตระหนงจากโครงสร้างของอริยสัจ ถึงหมาความมาเต็มรูปนะฮะอาริสัตย์นี่เต็มรูปหมดล้ทุกนั่นเหงินสภาพของปัญหาทุกนั่นเป็นความหิวก็แล้วกันสมุทายนั้นเงินเหตุได้หิวได้โรคเป็นความอิ่มเวลาเราทําจริงๆเราก็ทําแค่กินอาหารเพราะว่าประทานอาหารก็ไปแล้วอาหารจะขจัดเหตุให้หิวแล้วก็เพิ่มความอิ่มนะฮะที่จริงตัวความอิ่มนะไปขจัดตัวสาเหตุของความหิว แต้เมื่อสาเหตุถูกไปจัดไปความหิวก็หมดไปเหงื่อหิวก็หมดไปยังเหลือแต่ความอิ่มกับอาหารมความข้าอาหารหมดเนี่ยถ้าอาหารยังไม่หมดเนี่ยก็ยังไม่หิวนี่ก็แสดงว่าเป็นการทำดีเฉยแนอภาวนาก็เรียกว่าแนวภาวนาเพราะในการมองปริยายของธรรมเนี่ยจะไปสับสนในประเด็น แล้วไม่งั้นเราจะมองาโอ้โธรรมะอะไรมันมากมายเป็นภูเขาโลกาขนาดนี้ปฏิบัติกันไม่หวาดไม่ไว้หรอกที่จริงมันไม่ใช่เป็นอะไรขนาดนั้นมันเพียงแต่ว่าลำดับขั้นตอนของธรรมะเนี่ยในส่วนหนึ่งก็คือมันมีอยู่แล้วโดยพื้นฐานของเราทางด้านบวกด้านลบ ตรงนี้ก็งางเห็นคุณเห็นโทษด้านลบที่มันอยู่ภายในจิตก็ขจัดออกไปด้านบวกที่อยู่ในจิตก็รักษาไว้แต่ที่ยังไม่เกิดด้านลบที่ยังไม่เกิดก็ป้องกันไว้ด้านบวกที่เกิดแล้วก็ อ, อรักษาไว้ทีนี้ในใ น, ในการกระทำอย่างนี้พอเราเรียงเป็นเป็นโครงสร้างโครงสร้างสีประการน่ยที่ว่าเนี่ย มันก็ทำอย่างเดียวคือรับประทานอาหารอย่างเดียวแล้วโครงสร้างอริษัทเองก็ก็เป็นอย่างนั้นนะทุกมันก็เหมือนกับสภาพปัญหาสมุทัยก็เหมือนสาเหตุของปัญหานิโรธเหมือนความไม่มีปัญหามร ก, ก็คือหลักการวิธีการในการคัาจัดสาเหตุของปัญหาพอสาเหตุของปัญหาหมดตัวปัญหาก็หมดความไม่มีปัญหาก็ปรากฏมันมีความต่อเนื่องถึงกัน เพราะเรานี่จึงถือว่าเป็นปริยายที่สมบูรณ์ที่ทรงแสดงทั้งป้องกันทั้งบำบัดทั้งบำรุงารักษาเนี่ยเป็นการแสดงในแนวที่สมบูรณ์แต่ว่าไม่ต้องไปติดใจพรอทรงแสดงในรูปพสสิทธิ์ที่ทรงจำแนกแสดงไว้ในที่ต่งตางๆนี่เราจะเห็นว่ามันจะเน้นที่ตัวมากเน้นที่ตัวลงมือปฏิบัติความดีลงมือทาความดีเนี่ยเป็นหลัก จนแสดงไว้ในคุตรกรณิกายชาดกนะฮรัจากการิบาตบอกว่าคนขยันย่อมไม่พลาดประโยชน์ซึ่งถึงตามการหมายความว่าตัวความขยันหรือตัวคนขยันนี่ที่จริงมันมีความขยนันแต่ความขยันมันเกิดขึ้นภายในจิตก็ทำให้จิตคนเนี่ยขยนัน แล้วจิต ก, ก็คิดก่อนทําคิดก่อนพูดเพราะงั้นก็ขยันพูดขยันทําแต่ในตอนนี้ก็เน้นที่การขยันทำํำในตัวความคิดนั้นแน่นอนท่านต้องมีจิตใจที่มีความขยันถ้าไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่ทำหรอกแต่ทดลองสังเกตว่ามันมีปัญญากํากับอยู่ด้วยย่อมไม่พลาดประโยชน์ซึ่งถึงตามการเราะความปัญญาจะต้องรู้ว่าประโยชน์ประมาถึงตามการแล้วเช่นว่า ทำนาในหน้านาจับลาในอะไรรองน้ำฝนในรูฝนอะไรเนี่ยคือมายความมาทำงานมอเจาะตอนไหนก็ตลาดต้องการเรื่องอะไรเราก็เสนอสินค้าที่ตลาดเขาต้องการออกไปเราก็ได้เงินได้ทองหมายความต้องมีปัญญ า, งงานในการสรวจสอบในการมองดูว่าในยุคสมัยทรงเนี่ยต่อไปมันจะเป็นอะไรอะไรเป็นความต้องการของคนส่วนใหญ่ อะไรตลาดยังไม่ต้องการเราก็ยังไม่ผิดออกไปหรือว่าตลาดต้องการมากต้องการน้อยเราก็ผิดออกไปตามที่ตลาดเขาต้องการเพราะความเพียรพยายามตรงนี้จึงมีปัญญากํากับหมายความว่ามีความรับิชอบมีความเห็นชอบในขาอกากับในการใช้ความเพียรเพราบางทีมันเพียรไม่ถูกกลาลเทศะที่ดั้นลาวัยในสระดก เนี่ยแต่กถานะฮะว่าอาจารย์ทิสาประโมกนำลูกศิษย์ไปหักไม้ฟืนหักไม้แห้งนะฮะมาทำฟืนลูกศิษย์คนหนึ่งเกยไปหมายตาไม้กุ่มซึ่งมันไม่มีใบใบมันร่วงก็เข้าเกว่าไม้แห้งน ะ, ะมันสลัดไปเข้าใจไม้แห้งก็หมายตาไว้เพื่อนก็หักไม้กันทางก็นอนก่อนนะขอนอนก่อน ประเดี๋ยวลุกขึ้นก็หักพอเพื่อนก็หักตัดไม้กันได้พอร้มควรหักไม้ได้พอรมควรแล้วก็ปูกกระตื่นแก่ก็รีดตะลีตะลานไปถึงก็หักไม้กลุ่มนัม้นไม่กลุ่มสดนะฮะหักแล้วมันหักไม่ขาดมันก็เด้งตีกลับเอาตาบอด น, นั่นคือเป็นความขยันแต่ว่าไปทําลายประโยชน์ที่ควรจะได้ แล้วขยันในเวลาที่ไม่ควรดีการขยันแทนที่จะได้ประโยชน์มันก็กลายเป็นเรื่องเกิดโทษไปโดอทรงสแสดงในวิริยนะดุกรรมิเจี่คนรุ่งทุกทุกขั้นตอนนะทุกทุกเรื่องทุกอะไรก็ตามนะครับเราสามารถขจัดด้วยความเพียรพยายามที่เหมาะสมได้ทั้งนั้นเป็นหลักการปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาไปสู่ทุกนในสังสารวัฏ คือทุกในการเบญไหว้ตายเกิดนีหมายความว่าแม้ทุกในการเบญไหว้ตายเกิดก็สามารถขจัดได้โดยการดําเนินตนไปตามหลักอริมักยองแปดประการจะเป็นความทุกข์ที่ละได้เด็ดขาดแต่ความทุกข์ในด้านต่างๆยกตัวอย่างว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่มีทรัย์ ไม่มีทรัพย์สมบับจับจ่ายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเป็นหนี้เขาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไปประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายเนี่ยตอนนี้ถ้าปัญญาเข้ากำกับและใช้ความเพียรทุกทานเพราะว่ากันตามความจริงแล้วก็ใครก็ไม่มีเงินมาก่อนนะนะก็ต่างคนต่างก็เกิดมาโดยไม่มีอะไรเพียงแต่ว่า ถ้าเราเกิดมาในครอบครั ว, วที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดีมันก็ได้อิงอาศัยเขาแต่ว่าในที่สุดคนก็ต้องมันขยันในตัวเองแล้ว ก, ก็แก้ปัญหาเรื่องการไม่มีทรัพย์ได้ไม่แก้ปัญหาการไม่มีทรัพย์ได้มันแก้ปัญหาการไม่ต้องเป็นหนี้ได้ไม่แก้ปัญหาการไม่ต้องเป็นหนี้ได้มันก็สามารถซื้อหาจับจ่ายใช้สอย เครื่องอุปโภคบริโภคตามความจำเป็นที่บังเกิดกินได้เลยว่าปัญหาที่เกิดมาคราวก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการทำงานผิดกฎหมายแล้วก็ผิดสินธรรมแล้วความดูความคิดของคนกลุ่มนี้วันก่อนเมื่อดูข่าวนะคือวันที่ยี่สิบกรกฎาคมเนี่ยเราตำรวจจับ คนฆ่าคนคนหนึ่งเชื่ออะไรก็ไม่ได้จำไว้นะแต่ว่าประเด็นในปีการฆ่าเนี่ยคือเขาบอกว่ามันก็ช่วยกันผิดยาเสพติดร่วมกันแล้วในการต่อมาก็ไม่ไว้วางใจกันแคระแวงกันในสุดก็ฆ่าฆ่าทิ้งซะเลยเพื่อจะหุบออกกิจกรรมทั้งหมด น, นั้นเราจะเห็นว่า จะสังเกตได้ว่ามันเป็นความโลภหลงจนถึงประกอบมิจฉาชีพคือเลี้ยงชีพในทางที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมไม่คํานึงแตเดยมาโลภหลงมันเยอะตอนถั้ามองใครจะเป็นอุปสรรคเป็นอันตรายแล้วแกก็พร้อมที่จะโกรธพรมีจะหวาดระแวงพร้อมที่จะแหนงใจแล้วก็พร้อมที่จะ ฆ่าทำลายหรืออย่างที่มีข่าวการจับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ร้านสื่อพิมพ์ท้องถิ่นการข่าวแล้วเราก็สลดใจนะว่าลูกชายของเจ้าของโรงพิมพ์ไปยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีนะไม่ถึงก็ตายนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันไปทํางานที่ทุจริต แสดงว่าโรคหลงอีกเยอะแต่ในที่สุดเมื่อคนอื่นไปรู้แกวเวข่ามันก็โกรธโกรธก็ต้องการจะฆ่ามันเป็นการปิดแต่ฟ้าด้วยฝ่ามือนะฮะมันแก้ปัญหาไม่ได้แต่เราก็เห็นอาการโรคหลงที่มีอยู่ภายในใจของบุคคล เพราะความเพียงพยายามจึงต้องมีปัญญาเข้ากำกับจึงจะสามารถที่จะกระจัดความทุกข์ได้เพราะอย่าลืมนะฮะมันมีมิจฉาอาชิวะอยู่ด้วยมไม่ไม่ไม่ใช่มิจฉาวายามะอยู่ด้วยคือความพยายามเป็นทางที่ผิดอยู่ด้วยมีคนเยอะนะฮะที่เขาบางคังร่ำรวยขึ้นมาด้วยเงินทองที่ไม่ก็จะสุดจรธิ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ความสุขในการครองชีวิตื่อก่อนอ่านรายงานของทางราชการที่แสดงให้เห็นดังว่าคนไทยขนเงินออกไปต่างประเทศเมื่อ40เนี่เกือบ200ล้านเนี่ยนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากไม่ใช่200ล้านนะล้านล้านกว่านะ แล้วก็ปีก่อนหน้านั้นที่จริงก็ขนไปออกไปแค่สองสายล้านนั้นแสดงให้เห็นถึงขาดปัญญาในการตรวจสอบในการมองโลกมองชีวิตตัวเองเกิดมาอาศัยชาติบ้านเมืองกอบโกยผลประโยชน์จากชาติบ้านเมืองแล้วก็ไม่ยอมร่วมทุกข์กับชาติบ้านเมืองได้เงินได้ทองไปเสวยสุขอยู่ต่างแดน เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจนะฮะแม้เขาจะร่ำรวยยังไงก็ตามแต่ว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกีดดยจเวลาการใช้ความเพียรท่านจริงเน้นที่ปัญญาอย่างที่กล่าวไว้เนี่ยนสัยิตนิกายสกาตะวักสัญญตานิกาย น, นี่ท่านบอกว่าปฏิรูปการรีธรวาวัคขาตาวินแลเตถนังคนมีธุระมันทำการงานได้เหมาะเจาะย่อมาทรัพย์ได้ เราเห็นว่าคนมีธุระมันนั้นก็คือมีความเพียรการทำงานได้เหมาะเจาะนั้นขึ้นอยู่กับปัญญาเป็นเครื่องมือในการสอดส่องในการพิิจพิจารณาในการตรวจสอบือยังงงอยู่ว่าหนึ่งพันหนึ่งตำบลที่มีความบริี่เริ่มของรัฐขึ้นมาเนี่ยก็ยังมิเล่นๆเม่เรามีตั้งหกหมื่นกว่าตำบล ถ้าผิดพันออกมาแล้วต่างคนต่างออกเนี่ยมันไหลได้ยังไงส่วนหนึ่งก็คงขายถ่ายเทกันในบ้านเมืองเราเพราะว่ามีคนก็ไม่ใช่น้อยล้วอาจจะไปแถบอินโดจีนใกล้ๆเนี่ ย, ยตลอดั้งโวกพาม่ามาได้ยูอะไรเนี่ยแต่ถ้าต้องการจะให้เศรษฐกิจดีจริงๆเนี่ยมันจะต้องถึงจุดหนึ่งที่ผิดกันเป็นกิจลักษณะ ต้นทุนไม่สูงเกินไปแล้วก็ออกไปแข่งกับตลาดต่างประเทศเขาได้แต่ถ้าหากว่าให้ต่างคนต่างทําเนี่เราจะเห็นว่าต้นทุนจะสูงเพราะฉะนั้นต่อชิ้นจะแพงแล้วก็มันก็ช่วยกันซื้อช่วยกันกินในบ้านเมืองเราได้นะะแต่พอไปแข่งตลาดโลกแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ยากให้น้องเรานแะล้าก็ซื้อในสิ่งที่มีคุณภาพและราคาถูก ใครๆก็อยากซื้อของดีราคาถูกดังนั้นการทําการงานนี่ต้องเหมาะเจาะต้องถูกต้องเหมาะสมก็สอบครองกันเรื่องนี้แหละสอบค้องกับศัพท์บริษัทธรรมเนีลยหมายความว่ายืยนในบนพื้นฐานของเหตุผลรู้ฐานะของตนรู้ความเหมาะความควรรู้กาลเทศะรู้กลุ่มคนรู้บุคคลเราเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายนะอะไรก็คือกลุ่มเป้าหมายล่ะ เราต้องมีปัญญาเข้ากำกับแล้วก็ท่านบอกไว้นนี้ในสาดกนะฮะอิกีลาเลสุบิ น, นเตหันยัตสัสนติงคนไม่เกียรครางถึงได้ความสงบใจคือบางครั้งบางคราวเนี่ยมันเจอปัญหาเจอปวรศักแล้วคนก็ท้อถอยแล้วพอเกิดปัญหาถ้าท้อถอยกันหมดมันก็ตายกันหมด เพานคนจะต้องขยันทุกอย่างมันต้องมีทางออกของมันแต่ปัญหาออกทางไหนเรื่องางเรื่องเราคิดได้เรื่องมางเรื่องเราคิดไม่ได้ก็สอบถามหรือว่ามีการระดมความคิดกันก็ช่วยกันหาทางออกมีปัญญาเป็นเครื่องมือในการสอดส่องในการพิจารณาเจียดเขียงการไม่เกลียดครั้งเนี่ยหมายความว่ามีความเพียรนั่นแหละ แต่ว่าท่านใช้คำหลายๆคำในที่นี้ใช้คำว่าไม่เกียดครานคืออากิลาสุแต่ว่าไม่เกียดครานถามว่าคนไม่เกียดติครานคือคนอะไรก็คือคนขยนันคนขยันก็คือคนที่มีความเพียรเป็นการแสดงว่าคนเราที่ไม่เกียดครานเนี่ย ปัญหาเรื่องนี้มันเกิดคนไปติดอยู่ในทะเลแล้วก็หมดน้ําก็ขุดหาน้ํานะฮะที่จริงมันมีหญ้าอยู่แล้วก็มีมีน้ำอยู่ข้างใต้นะฮะรู้โดยวิธีการํนานานในการเดินทะเลทรายเนะี่ยแต่คนมันหมดกําลังใจมันท้อถอยมันหมดอะไรตายอยากในชีวิตหมดตัวหัวหน้าตัวนายใหญ่ก็บอกลูกน้องคนสนิท พอเธอต้องทาไม่ได้ลงไปฟังดูนี่มีเสียงน้ำอยู่ใต้แผ่นหินแต่การทะลุทะลวงแผ่นหินมันก็เรื่องใหญ่นะแต่เมื่อไม่มีใครทำเนี่ยเธต้องทําถ้าไม่งั้นพวกเราเรจะตายกันหมดอลูกน้องคนเสด็จก็ทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จลงไปเลยก็ทะลุทะลวงก็อตอนต้นๆมันก็เหนื่อยธรรมดานีฮะแต่ไปถึงจุดหนึ่งก็เจาะแผ่นหินลงไปได้สำเร็จ น้ำก็พุ่งขึ้นมาเป็นลําตาลเกิดมาเลยก็เลี้ยงดูมีการดบื่มมีการอาบนีการเก็บเอาไว้ในการเดินทางก็รอดปลอดภัยอันตรายไปคนเราบางครั้งมันไปซ้ำเติมตัวเองไม่ว่าในการศึกษาเราเรียนในการปฏิบัติภารกิจการงานในการทําหน้าที่ราชการอะไรก็ตามนะ เช่นสมมติว่าตัวเองไม่ได้เล่นเงินเดือนแล้วก็ไปชดเลยขี้เกียจใหญ่เลยเลยไม่ยอมทํางานนั่นตัดวันประการพรุ่งปล่อยการเวลาผ่านไปเรื่อยๆในสุดมัอาการหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรคือถ้าเราแยกให้ได้เนี่ยว่าการทํางานเป็นหน้าที่ของเราแต่วาการจะเกิดผลอะไรขึ้นมานั้นเป็นหน้าที่ของงาน มันเหมือนในการปลูกพืชเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนแต่การจะออกผลเป็นยังไงเนี่ยเป็นเรื่องของพืชแล้วก็ไปการแยกให้ออกรับผิดชอบในส่วนของเราเองส่วนของคนอื่นก็ว่ากันไปทีหลังแต่ที่ยุ่งยุ่งเนี่ยมันคนชอบลงทุนน้อยแต่ว่าได้กำไรมากมาก หมายความว่าตอนทํางานนั้นไม่ค่อยบันขยันเท่าที่ควรแต่ในงานเดียวกันตัวเองก็อยากจะได้อะไรมากๆอยู่ก็ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับหวยเบอร์ที่เกี่ยวกับสลากินแบ่งเ ก, กเกี่ยวกับเกมโชวอ์อะไรต่างๆหากินได้ทั่วโลกจึงบางครั้งบางคราวเราก็เคยดูเกมบางอย่างรู้คถามแล้วมันก็ไม่ค่อยจะสลับซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นะ แต่ว่าคนก็ต่อไปไม่ได้เท่าไรแต่พอเราไป ม, มองคนคนหนึ่งที่ก็ตอบแล้วได้รับรางวัลก็เรียกว่าล้านแตกอะไรมันทุงมเทเวลาค้นคว้าศึกษาเอกสารทุกชนิดนี่ใช้เวลานานนะแล้วก็มีความมั่นใจมีการสังเกตติดตามรายการคําถามกังวลอื่นบ้างแล้วก็อ่านจากเอกสารตำรต า, าต่างๆไว้ต้นบ้าง สื่นาและเปลี่ยนความคิดความเห็นของคนอืดนบางอันนั้นก็คือทํางานได้เหมาะสมเมื่อเราต้องการผลอย่างนั้นมันก็ต้องสร้างเหตุซึ่งมั่นใจได้ว่าจะเกิดผลในลักษณะนั้นขึ้นมาแล้วเมื่อผลมันเกิดเราก็สบายใจได้ก็สําคัญว่าเมืองไทยเนี่ยยังไงยังไงก็อยากเกียรติร้านแล้วทุกเรื่องนะฮะไม่ใช่ว่าเรื่องประกอบอาชีพอย่างเดียวแม้แต่การบวช การปฏิบัติธรรมะการศึกษาธรรมะการเจริญสีนสมาธิปัญญาในแต่ละอย่างก็ต้องไม่เกียจคร้านนั่นแหละถ้าใม่เกียจคร้านก็จะประสบความสงบใจความสุมใจได้ทั้งฝั่งทั้งหลายใต้ลงพุทธิยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองงามไปบุญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี